เราอย่าจมอยู่ในความทุกข์อยู่มีภาระนะจะต้องปลดเปลื้องจิตใจของเราออกจากความทุกข์ให้ได้ชีวิตนะั้นความจริงหลวงพู่เทสท่านเคยบอกว่าสามใดยังมีกิเลสนนก็ยังมีชีวิตอีกมีเวลาอีกเวลาชาติหนึ่งไม่มากว่าชาติที่เจอพระพุทธศาสนานี่ยิ่งน้อยหนักกึับอีก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 มันจะมาปฏิบัติที่รู้สึกยากชา้นหน้าก็ยากบางคนก็คิดอะไรง่ายๆนะคิดว่าทําบุญเยอะๆจะไปพบพระสีอริยัยเมตรยัยก็บรรลุง่ายไม่มีทางหรอกไอ้ขี้เกียจตั้งแต่ชาตินี้นะไม่มพวาวนาตั้งแต่ชตั้นนี้ไปเจอพระพุทธเจ้ากี่องค์กี่องค์มันก็พวาวนาไม่เป็นอยู่นั่นนะงั้นเราต้องรีบฉวยโอกาส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 ท่านสิ้นไปตั้งแต่ปี 2,492 นะบางคนอาจจะายุเกินนั้นแต่ว่า60ขวาขึ้นไปจะเล็กนักนะไปเจอท่านก็คงไม่รู้เรื่องหลวงปู่มั่นสอนนะบอระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยเยนะระวังอย่าให้จิตติดเฉยนิ่งๆเฉยๆยรู้ตัวอยู่เฉยๆย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 เมื่ในขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นนะคุณงามความดีทั้งหมดนะประชุมตัวกันรวมตัวลงนะศีล ส, สมาธิปัญญานะศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาอะไรต่ออะไรนี่ที่ดีๆในลงที่เดียวกันนะสติธรรมวิจยะนะวิริยประปัสสัตทิปิตนะิสมาธิอุเบกขาในฝ่ายของผู้ชมก็รวมลงที่เดียวกันนี้เนะนี่ยคุณความดีทั้งหมดรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวนะในขณะจิตเดียวเท่านั้นเอง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 เพื่อจะเอามาสอนอัศจรรย์นะรีบภาวนาเขาเวลาเหลือน้อยนะแต่เราคนเหลือไม่มากนละรีบภาวนารักษาศีลห้าฝึกใจให้อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วก็แยกธาตุแยกขันดูกายดูใจเขาทำงานด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางไปนะไปกินข้าวไปกินข้าวก็คือเวลาปฏิบัตินะไม่ใช่เวลาปฏิบัติคือเวลาที่อยู่ในห้องพระอย่างเดียวนะไม่ใช่